เจ็ดวันจะแต่งงานมีพ่อบ้านรวมเรียงควายคุายซ้อมหยิบซ้อมจับและซ้อมขยับปูเตียงสบิงสบัดดัดซ้ำเอียงอ่อนเสียงใสแจวที่ ผมพาให้หน่อยน้องหนาวแล้วว่าทางทางซ้อมสมมติว่าคุณพ่อบ้าน พาให้นอย ไกลเขามานิดขยับเขามาหน่อยห่มผ้าให้หน่อย